พอพอจะเดินพอพวกเราทุกคนทคัพอที่เองก็ต้องบอกว่าพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีนะโชคดีกู่สองยาย่าหนะึ่งก็ร่างกายเราอย่างแข็งแรงนะ ตอบก็คือว่าเรามีความตั้งใจนะนทีทมนะ่มาปฏิบัติธรรมนะมาฝึกจิตสุกใจของเราในช่วงวันหยุดนัดสอบาำวันนี้เนะี่ยคือเราโชคดีทั้งร่างกายเราพร้อแล้วก็จิตใจของเราก็พร้อมนะี่คือความโชคดีที่บางคนก็มีร่างกายพร้อมืนเหมือนเราแน่น่ะแตนะ่บางทีจิตใจยังไม่พร้อ หรือบงคนจิตใจก็พร้อมแต่บางทีร่างกายไม่พร้อมนไม่สบายต้องไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่ามาที่ที่ต้องการได้แทนพวกเราก็มีความโชคดีความโชคดีดอย่างผู้ดียางก็คือเรามีความพร้อมแล้ก็มีความตั้งใจเนาะมาจะมาเกลียบเที่ยบเพราะว่าช่วงสองสาวันเนะี้ยได้มีโอกาสไปเยี่ยม คนป่วยนะที่โรงพยาบาลนะหลายสิบคนนะนะทั้งที่นะได้ทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงพยาบาลในการที่นะไปเยี่ยมนะผู้ป่วยที่ดูแลแบบพนะักผักครองะทั้งที่อยู่ที่โรงพยาบาลเองก็ดีหรือว่าที่อยู่อยู่ที่บ้านเองก็ดีหรือว่าเป็นญาติธรรมทีททนะ่นิมนต์ให้ไปเยี่ยมนะ ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักแล้วก็ดีนะช่วงสองสามวันเนี้ได้เจอคนป่วยหลายประเทศมากนะทั้งแบบโคมานะ่าเนาะบางคนเขาให้เราแรกกลาว่าจะให้ไปเยี่ยมอีกวันหนึ่งแต่อาการหนักแล้วต้องไปเยี่ยมวันนี้เลยนะอันนั้นก็สิบเอ็ดมงคึ้นแล้วนะ้าโยมก็ โยมก็บอกว่าไปก่อนะอาจารยนะ์เดี๋ยวไม่ทันเนะ้วก็ไปนะพอทราบวันดังก็คันขึ้นๆนะเขาก็ไปจริงๆนะอื ม, มีบางคนก็รีบด่ดวนบางคนก็เลือรังนะป่วยเลือรังด้วยเกี่ยวกับสมองนะที่มีปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับปอดที่ติดเชื้อนะหรือเกี่ยวกับเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งบ้าง ก็มีผู้ป่วยเรื้อรังหลายประเททมากที่ที่ไปเยี่ยมเนาะก็พอไปเยี่ยมเสร็จก็มีการพูดคุยกันพระธรรมาเองหมอเองพยาบาลเองก็พูดคุยกันเราเราเคสที่ได้ดูแลกันะตั้งแต่แรกรับเจนท่านเรียกว่าส่งออกนะแต่การส่งออกเนี่ยปัสสาหมอก็เรียว่าจับนายนะ พวกเราถ้ามีปุณกับตาหมอแล้วก็ฟังดูหมดรายเนาะจ่ายนายออกแต่คำว่าจ่านายออกคือส่วนหนึ่งก็คือว่าสุขภาพดี่แล้วอนะกลับบ้านได้เนระาไขลรักษาพอสมควรแลกลับไปอยู่บ้านได้นะจก็ <c oughs> เรียกว่าจ่ายนายออกเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็รักษามไม่ได้แล้วนะยากหรือว่าคนไข้ก็อสมัครใจที่จะกลับไป ไปเสียที่บ้านหรือว่าไปดูแลกันต่อที่บ้านส่วนที่สามก็คือว่าจำหนายออกโดยเสียชีวิตที่เตียงที่โรงพยาบาลตรงนั้นก็จะหนายออกไปที่เมทตต่อครับนะก็มีในหายแบบนะบางคนเขาก็เล่าไปเนะี่ยตั้งแต่หลายคนที่ป่วยเนาะอายุในน้อยนะายนยนะบางทีก็ คนที่เล่าไปก็เศร้าเนาะเพราะว่าผูกพันกันเห็นค น, นอายุน้อยยี่สิบกว่าอยู่กันมาเป็นปีเนี่ยก็มีนักอันทีก็รู้จักกันมาก่อนว่าเป็นพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นแหลนะป่วยด้วยโรคที่เลือรล้ำรัางกาไม่หายสุดท้ายก็น่ะก็มาก็เคยไปเยี่ยมเขาอยู่สองสาครั้งแรกแรกก็ก ำ, ำลังใจดีกำลังใจดีเพอะไรคือว่า หวังว่าจะหายนะคิดว่ารักษาดีๆนะนะน่าจะหายได้แต่พอตอนนั้นก็อาการก็เริ่มหนักขึ้นนะมีการติดเชือ้อมีอะไรอย่างแทรกซ้อนเข้ามาก็คงจะดูว่าการก็แย่มากแล้วก็กำลังใจไม่ค่อยดีลนะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องคั้งสายใจบางอย่างที่ที่ก็ไม่ได้ระบายออกมาก็า พอได้าข่าวว่าตอนที่เ็เสียก็เนื่องจากทั้งคนป่วยเองก็ดีหรือว่าญาติคนป่วยเองก็ดีนะไม่ได้สรุปกันที่ชัดเจนนะว่าถ้าป่วยนหนักๆแล้วจะให้ทําอะไรหมอเขาก็ตัดสินใจลาบากนะทำไมบอกว่าแล้วแต่หมอเนี่ยบางทีก็แล้วแต่หมอจริงๆนะบางทีหมอก็ไม่รู้จะเลือกอย่างไรนาะถ้าคนป่วยนหนักๆ บางคนก็หมอไปใช้คันปั้มหัวใจช่วยแนตะ่เคสนี้ก็ปั้มหัวใจหนักหลายนาทีทั้งเป็นมีหมออีกคนหนึ่งที่ก็เข้าไปคุยกับแม่ของคนป่วยว่ามาคุยกันวนะ่าปั้มหัวใจไปเขาคงช่วยไม่ได้แล้วเนานะไม่ใช่ว่าปัามหัวใจแล้วเขาจะดีขึ้นเขาอาจจะกลับมาหรือไม่กลับมาถ้าเขากลับมาแล้ว ก็ยังต้องปวดเหมือนเดิมแหละแต่นี้ก็ไหลติดนาทีแล้วติดฟั่มอยู่นะอืมลองสังเกตหรือติดสู้เขาทรมานไหมพอแม่ก็ได้คิดว่าที่จริงใจของแม่เองก็คงอยากให้ลูกมีความสุขหรือว่าไม่ทรมานมากเนาะแต่ตอนนั้นก็ต้องคิดไม่ออกนานบอกไม่ถูกก็ให้ทําตามที่ด้านแต่หมอจะแชร์การ หมอก็ไม่ได้แต่การอะไรก็ทำเป็ตามหน้าที่ครับเต้องปั้มไปแต่พอสุดท้ายก็ก็เลิกปั้มนะน้ะนองเขาก็เสียชีวิตไปแต่ก็เสียชีวิตด้วยอายุที่น้อยนอยมันก็เป็นความเศร้านะความเศร้าของพ่อของแม่ที่ลูกมันเสียชีวิตความเศร้าที่ว่ามีลูกคนเดียวนะที่ต้องเสียชีวิตนะอันนี้คือความเศร้าที่ ที่เราก็ได้พบเจอนะของคนที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะแต่บางทีก็มีนะมีเรื่องราวที่ดีๆก็มีนะอย่างเช่นมาพบเจอป้าคนนี้นะสามสี่ครั้งนะสามครั้งคราวนี้ก็ไปโรงพยาบาลเป็นครั้งที่สี่ไปประมาณเดือนละครั้งนะเจอป้าคนนี้สามสี่ครั้งมารอบนี้ก็ มองอยู่นะัเตียงของป้าไลนะ้ไหเนี่ยอยู่เตียงที่สองใกล้ๆประตูมาทุกครั้งก็จะเห็นแก่คราวนี้ไม่เห็นแกนะ่ก็ไม่ทันได้ถามพยาบาลนะพยาบาลก็มาเล่าให้ฟังตอนนลังว่าป้าคนนี้นะแต่ก่อนเนะี่ยมูอยู่คนเดียวไม่ได้นะมีสามมีมีลูกมาอยู่ก็ต้องให้เฝ้าตลอดเลย ถ้าตอนไหนที่หมอหรือพยาบาลมาทํผ่าตัดการเนี่ยแกก็จะใช้ทําตัวเหมือนเรียกร้ อ, องความสนใจนะเจาะคอพ่จะเองภัยว่าจะเองมีเสมพต้องว่าจะเอ ง, ะงมีปัญหานั่นนี่นะพยาบาลมาดูมาอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ตอนแรกๆป้าแกก็จะเรียกร้องมนะันบ่อยมากพอตอนที่มาเจอแกครั้งแรกก็ ถ้าเห็นแกมองพัดนะได้ความสนใจเราก็รอดูอยู่ว่าพยาบาลจะพาไปที่เตียงไหนแกก็มองเราเราก็เดินไปหาแกนะเดินไปหาเห็นแกมีลูกบอลลูกบอลเล็กๆสำหรับกำนะคงคงไวตุรกายภาพอย่าต้อนโยนมีลูกบอลนะเอามากำดูซินะอลองกำดูซินะรู้สึกไหม เขาก็พูดไม่ได้นะจำคอเขาก็พูดแบบเสียแฮบไปเออมันรู้นะแบรดรู้สึกไหมรู้นะกรรรู้สึกไหมแบรรู้สึกไหมนี่ะเขาก็รู้นะติดหน้าตาก็าไยิ้มตึ่นอ่ยิ้มกรรมรู้สึกแบรรู้สึกไหนลองเอาลุกบอลวางไว้ดูสิน่ะลองพิกมือด้วยพิชมือหนา พิชมือความพกมือง่ายรู้สึกไหมความรู้สึกง่ารู้สึกอความรู้สึกง่รู้สึกก็บอกแกบบนี้นะแกก็ทานะแกก็ทํานะทำนะำนะำนะเดี๋ยวมันก็ไปเปลี่ยนอื่นต่อ <c oughs> ก็แอบสังเกตแกถูกกลับไปมองแกก็ยังทําอย่างู่พิชมือง่ายพิชมือความ เราะไปเยี่ยมเตียงอื่นต่อไปนะมมีหลายเตียงเจอเดือนหลังก็พอเห็นหน้าแกแล้วไม่พูดมากแล้วทําอยู่ไหมแกก็ทําโชว์ทำทำอยู่ยิ้มทําโชว์แต่ก็ได้ข่าวจากหมอพยาบาลอยู่ว่าเวลาไปเยี่ยมคนป่วยในใ น, ในบ่อนนะั้นแกก็จะแกก็จะทําแกเยอะเรื่อยพยาบาลจงมาเล่าบันดังเนี่นยว่า แต่ก่อนนะที่ว่าแกแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเรียกร้องคนนั้นคนนี้แต่คราวหลังพอการจะ่งตแกได้ฝึกสตินะแกอยู่โดยตัวคนเดียวได้อยู่บ้านๆแกก็นอนพิษมือหรือบางทีตามีแกก็เอาทําเป็นอุ บ, บายนะวางสือธรรมะไว้หนะังสือสวดมวนต์หลงแป่นตาไว้ที่หัวเตียงก่อนจะกลับบ้านนะ บางทีแกก็พิชมีบางทีแกมุ้ยแกก็เอาหนังสือมาสวดมนต์เขินมนตนะ์นนในใจนะเสียงพอไม่ออกเคล้ายก็แต่ก่อนเหมือนไม่มีเครื่องอยู่นะไม่มีเครื่องอยู่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลต้องพึ่งสามีมต้องพึ่งรูปแต่พอเราไปแนะนําให้พึ่งให้พึ่งสตินะให้พึ่งนะความรู้สึกตัวแกก็อยู่ได้ตอนแรกเนี่ย พยาบาลที่เราบอกว่าเหมือนป้านเรานี่ยถ้าทานจะไม่รอดลรติดเชื้อหนักมากนะแต่มันก็สังเกตอยู่นะตีเดือนไม่ได้กลับก็ก <c oughs> ทีเลยโอผมเป็นหนักพอสมควรแต่มารอบนี้ไม่เห็นแก่ก็ไม่กล้าคิดว่าแกจะถูกจําหน่ายไปแบบไหนเอ่า <c oughs> ไม่รู้ประเทศประเทศสองประเทศหนึ่งหรือสองหรือสามแต่ก็ไม่คล้าคิดเหมือนกัน แต่ก็พยาบาลมาเล่าว่าเนี่ยตอนดังเนี่ยแกดีขึ้นมากเลยแกดีขึ้นมากเครื่องช่วยหายใจก็ออกได้ละฝึกหายใจเองได้แต่บรงนี้ก็ต้องให้ยาเป็นฝึกให้อาหารทำอาหารเร็วแล้วก็ให้ทานสายยางได้อันมาไปยี่ที่สิบสามเนาะเพยี่ิบสี่ยิบห้าแกออกมาที่ย3ิบสาม ตอนแรกพยาบาลก็แลวบอกว่าจำพจารใจจะมาที่ยสี่อยู่รอให้ใจไหมแต่อกก็อ ย, กอยากอยู่นะแต่ก็คงคิดถึงบ้านนะอยู่อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนก็คงอยากกลับบ้านนะนะ ก, ก็กลับไปที่บ้านเนะี่ยโดยการที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะแล้วก็กลับไปด้วยสติสัมปชัญญะที่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็น เป็นเคสหนึ่งที่เราก็เออไปได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วก็เกิดกําลังใจนะว่าแม้แต่คนที่เหมือนไม่มีอะไรฟ้านะร่างกายที่เจ็บที่ทรามานจิตใจที่ไม่รู้จะพึ่งอะไรเนาะพอได้ฝึกสติเขาก็มีที่พึ่งนะที่พึ่งทางใจให้เขาอยู่กับตัวเองได้พึ่งทางใจไปเรื่อยๆนะร่างกายก็ดีขึ้น ร้างกายก็ดีขึ้นเจอท่างื้อออกจากโรงพยาบาลได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งมาว่าเขาเองอาจจะเลือกไม่ได้ตอนที่เขาไม่สบายนะแต่เขาก็เลือกที่จะทําแบบนี้ต่อแต่มาก็เชื่อแหละก็มีหลายเคสที่เราต้องไปนแนะนาเหมือนกันตอนที่สอนก็อาจจะทําแต่หลังจากนั้นคงทําบ้างไม่ทําบ้างนะมันก็มีเหมือนกันคนระับ อืแต่มนก็อืมก็วางใจไว้ว่ามันก็กรรมใครกรรมมันหนะน้าที่เราก็ทําได้เพียงแค่แนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ได้แนะนําไปทั้งหมดนะก็ดูการรเทสต์ดูความพร้อมดูความสนใจของแต่ละคนด้วยนั่นแต่เราก็เห็นว่าเออเหมือนเป็นเป็นความโชคดีของเขาตัวห น, นนะึก็เลยมองย้อนกลับมา ถึงตัวเราเองก็ดีหรือว่าคนอื่นเองก็ดีเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆนะแบบวันใดเราจะไปอยู่ในเสืาอผ้าแบบนั้นบ้างนะเราบอกไม่ได้จริงๆนะอืเราเห็นคนอื่นบางคนที่ได้ไปเยี่ยมบางคนก็พูดว่าแต่ก่อนนะผมเป็นสอสอที่จังหวัด น, นี้เลยนะบางคนก็บอกนะคนเนี้ยเป็นเศรษฐีนะทีองง่อย่างนั้นอะย่างนี้ บางคนก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะก็มานอนอยู่สภาพแบบที่ก็เลือกไม่ได้เนาะบางคนบางรูปก็เป็นพระบวชจนแก่บวชนานทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่มีลูกหลานมาเยี้ยมก็มีนะแล้วก็คิดดูตัวเองเหมือนกันว่าถ้าบวชจนแก่หรือเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คิดเล่นไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรต็แลแต่ เหตุปัจจัยนะแต่มาว่าวันหนึ่งชีวิต เ, เราเนี่ยนะพอดเราก็ก็คงเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้ว่าเราจะป่วย่ดยโรคไหนนะป่วยที่ใดนะอยู่มีการช่วยเหลือหรือไม่เราเลือกไม่ได้แต่มาว่าสิ่หนึ่งถ้าเราลองเลือกดูนะเลือกดูว่าเราจะตายแบบไหน <c oughs> อเพราะว่าบางทีเราได้ยินเรื่องราวของคน เสีชีวิตเนาะบางคนก็ไปอย่างสงบนะสงบจิตสงบใจเมื่อกี้ร่างก า, ายอาจจะไม่สงบหรอกเพราะว่าหายใจเหนื่อยหรือว่าต้องเจ็บทรมานทางโรคภัยให้เจ็บแต่ก็สามารถไปสงบได้นะอย่างมาข้าเห็นหลายเคสนอะอย่างที่ชัดๆก็อย่างหลวงพ่ออมเขียนนะท่านก็เห็นเลยว่าหายใจลำบากมากแต่ท่านก็ยังประคองสังขาร ร่างกาย<ช>นะแตจิตใจคงไม่ใช่เรียวว่าประคองแอบมันมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะประคองสังคารให้มันไม่กระทบกระเทือนต่ อ, อการที่ได้สแสดงให้ทุกสิได้เห็นว่าไปแบบทั้งหมดเป็นแบบไห น, นท่านก็สแสดงตรงนั้นหรือไม่ต้องถึงขั้นหลวงพ่อนะแม่เด็กคนแก่แกที่ที่สนใจธรรมะแล้วก็มีชีวิตแบบ แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันก็คุ้นเคยกับธรรมะไปเรื่อยๆนะไม่มีใครยุดช่องเขาเป็นอริยะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ใจบุญจยูเสมอนะพอถึงคราวที่เสียชีวิตก็ก็สามารถไปสงบนดลาเอย่องเช่นพี่สาวของหลวงพ่อกำเขียนก็ดีนะมาก็ได้ดูจนท่านถึงตอนที่เขาเสียชีวิตก็เรียกว่าไปดี หรือแม่ได้ยายของนมาเองนะยายก็ยุคเสียตั้งเก้าสนะิบเอ็ดแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นคนแก่ที่เรียกว่าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จปั่นจักรยานไม่ใช่ขี่ไปรอบ้านนะปั่นจักรยานที่อยู่หลบียนะปั่นจักรยานออกกำลังกายนะดูแลตัวเองได้นะเพราะว่าตาเสียได้หลายสิบปีแล้วก็อยู่ดูแลตัวเองได้ ตอที่ไปก็อามาก็ได้เป็นส่งนะเขาเรียกว่าไปดีได้เหมือนกันคือชีวิตที่เขาอยู่นะอยู่ได้ดยการที่เพิ่มตัวเองได้หรือว่าใจเย็นใจสงบได้นะ่พะพอถึงคราวที่ตายก็สามารถตายดีได้นั้นเราก็เลยย้อนกลับมาดูว่าที่จริงถ้าเราพัฒนาการตายที่สงบหรือว่าตายดีครับเพราะว่า เราก็ย้อนกลับมาดูการใช้ชีวิดของเราก่อนที่จะตายแล้วาจะคิดแบบไหนมาว่าสิ่งที่เราควรทําคือการสร้างเหตุใช่ไหมสร้างเหตุเราเห็นคนที่ตายดีคืออะไรไม่กลัวตายเถอะนึงไม่ห่วงอะไรในสิ่ต่างๆนะไม่กลัวคือคเสด็จคนกลัวคือกลัวว่าตายไปจะไปเจออะไรนะ ไม่แน่ใจว่าตายไปจะตกน้แล้วก็ไปเจ อ, น, เอ น, นั่นเจอนี่เหมือนเราก็เคยได้ยินหลายสายกรณีที่พูดถึงว่าก่อนตายก็ร้อง โ, อยโวยหวนหรือว่ามีนิมิตภ า, าพปรากฏนในอนาคตว่าจะไปแบบไหนถ้าเป็นนิมิตภาพในเชิงไม่ดีก็ก็ยิ่ร้องใหญ่แบบนี้นะเราก็เคยได้ยินมาบ้างนแต่ถ้าคนที่ ไปทำปฏิบัติธรรมนะเวลาไปก็มันมีสตินะคอยกระคองไว้นะมีสติคอยประคองจิตนะไม่ให้ทรมานเด็กกับร่างกายที่กำลังจะแตกตัดไปนะร่างกายแตกตัด ก, ก็ส่วนหนึ่งแต่จิตที่ค่อยๆรู้ค่อยๆประคองค่อยๆ ม, มองสังขารที่มัน ร่วงโรยก็ถ <fighting with S 1> <walker> ูกพันไปพวกเราตคดูแบบเวลาเราดูในไม้เวลาเพื่อใบไม้ตีใบไม้ร่วงนะใบไม้ร่วมเคยเห็นไหมเคยสังเกตแบบเคยเห็นใบไม้ที่มันตื้นตอกจากพั้วแล้วก็พิวหมุนค่อยๆตกลงพื้นนะมาสังเกตบางทีในวาระสุดท้ายของเราก็พบแบบนั้นเหมือน สังขาร ม, มันหมดสภาพแล้วก็ค่อยๆดับลงนะเหมือนเราเห็นตรงหายใจของคนที่เสียชีวิตอ่ะหายใจแต่แบบไหนก็แล้แต่สุดท้ายก็กค่อยๆแผ่วแล้วก็หมดลงหายใจเนาะเหมือนกับใบไม้ที่ค่อยร่วงตกลุกมมาสู่พื้นดินร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนาะ นี่นแหละมาว่าสำคัญคำถามที่สำคัญของชีวิตเราคึงถ้าเราอยากจะตายดีเราควรจะมีชีวิตอย่างไรถึงจะตายดีได้แต่มาต้องคิดว่าคำตอบกับตัวเองนะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างอย่างการอยู่แบบดีนี่นแหละถึงจะตายดีได้แต่ความชีวิตแบบอยู่ดีของเราเป็นแบบไหน ชีวิตอยู่ดีของคนทั่วไปอาจะคิดว่าเรามีเงินทองเยอะๆเรามีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จเรามีครอบครัวที่อบกุณอันนั้นเรียกว่าเรามีชีวิตที่ดีก็ถูกนะแต่แค่นั้นมันเพียงพอหรือเปล่าเราเคยเห็นคนที่เหมือนมีทุกอย่างทั้งหมดนะแต่ชีวิตก็ดูไม่มีความสุข ก็มีใช่มนะมาว่าคิวเหล่านั้นถ้าไทรมีได้ก็ถือว่าดีนะแต่มาที่ว่ามันยัอยังไม่พอนะนะอันนั้นมาเป็นการมีดีที่ภายนอกนะมีเงินทองมีสิ่งของมีตำแหน่งมีครอบครัวที่อบูบุญเป็นเหมือนสิ่งของภายนอกนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมีเพิ่มคือจิตใจนะ จิตใจที่พร้อมยอมรับความจริงจิตใจที่เราเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้มาว่าติ่งนี้คือติที่เราควรจะต้องมีพร้อมนะไม่ต้องรอว่าเราจะพร้อมตอนที่เราตอนตายฉนะนั้นมาว่าเราสามารถทําจิตใจนะั้นให้พร้อมตนะั้งแต่ตอนที่เรายัางยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็เราสามารถทําได้นะ แน่นเราค่อยมาฝึกกันเนาะวันนี้เรามาเริ่มฝึกกันนะสำหรับคนใหม่ๆนะมาเริ่มฝึกการมีชีวิตที่ดีนะชีวิตที่ดีทางทางภายนอกอาจมาก็บคุไว้ต้องสอนแต่วันนี้ก็จะมาสอนรือการมีชีวิตที่ดีในเรื่องของจิตใจนะชีวิตที่มีสตินมีสมาธิมีปัญญาเป็นแบบไหน เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันเนาะแล้วก็ไม่ใช่เรียนรู้แต่เชิญคิดตดีนะนะหรือการได้ฟังเท่านั้นเนะาะแต่เราลองมาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ด, ด้วยเนาะการมีสติคืออะไรนะสติคือการระลรู้นะบางทีเรียกง่ายๆว่ารู้สึกตัวก็ได้นะรู้ว่าตัวกําลังทําอะไรนะเราก็มีสตินะตัวก็มีสองส่วนนะ ส่วนหนึ่งคือร่างกายนะเช่นนั้นรู้ว่านั่งนะรู้ว่าเคลื่อนไหวตอนเดินก็รู้ว่าเดินตอนยืนก็รู้ว่ายืนตอนนอนก็รู้ว่านอนอันนี้คือรู้ตัวรู้ตัวไม่ใช่รู้แค่ส่วนใจส่วนหนึ่งนะบางทีถ้าเรารู้ตัวแบบรู้แค่ส่วนเดียวนะมันจะเป็นการรู้แบบสมาธิเช่นถ้าเรา กำหนดแค่ความรู้สึกกับลมหายใจอย่างเดียวนะไม่รู้สึกตัวอย่างอืงอง่นไปด้วยนะบางทีมันเป็นรู้แบบสมาธินะแต่การรู้ตัวแบบมีสตินะนเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมนะเป็นการรู้รู้แบบทนทั่วตัวนะแต่แน่นอนสติมันจะประกอบด้วยสมาธิมันจะมีบางตัวที่มันเด่นนะอนะเช่นถ้าเรารู้ลมหายใจ ลมหายใจก็เด่นแต่ไม่ใช่ว่ารู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวนะรู้สึกถึงการนั่นรู้สึกถึงเสียงที่กระทบหรือรู้สึกถึงลมที่กระทบอะไรนะก็รู้ได้นะสติจะเป็นการรู้แบบ ร, บรอบๆนะรู้ทั่วๆสมาธิจะเป็นการรู้แบบรู้ลึกนะแล้วก็มั่นคงตั้งมั่นถ้าเราจเจริญสติแบบมีสมาธิด้วยนะ ก็รู้รอบรู้ลึกด้วยนะแล้วก็มั่นคงไปด้วยมั่นคงก็คือว่าไม่หวั่นไหวนะถ้าสมาธิดีสมาจะดีแค่รู้สัตแต่ว่ารู้นะเห็นตัดแต่ว่าเห็นนะได้ยินเสียงตัดแต่ว่าได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นสัดแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นได้รสสัตแต่ว่าได้รสกายสัมผัดตัดแต่ว่าตัดแต่ว่ารับรู้นะเฉยๆหรือใจคิดนึกก็ตัดแต่ว่า รู้รู้สึกหรือว่าเห็นมันคิดไปนะถ้าเราสติสมาธิดีๆมั น, มนก็สัตแต่ว่าได้แต่บางขณะนะบางขณะบางอารมณ์มันก็เผอหลงไปนะมันหลมก่อนนะถึงโกรธหลงก่อ น, อนถึงอยากนะมันไม่ใช่โกรธก่อนแล้วค่อยหลงนะที่จริงมันหลงหลงอะไรเช่นเช่นหลงไป หลงไปกับเสียงที่เขาเช่นเขาพูดไม่ดีเข้ามาเราหลงไปฟังแล้วหลงไปยึดว่าเสียงนั้นเป็นด่าเราพอหลงแล้วก็เลยเกิดไม่พอใจเลยโกรธเข้าไปหรือบาทีเราไปเดินห้างนะเราหลงไปดูลดราคาเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์หลงไปดูนะนาทีเราจะแรกเดินไปไม่จำเซื้อตชมพูยาตีฟันนะแต่พอเขาเห็นเขา กรเป๋าก็เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะเราหลงไปดูแล้วก็หลงไปอยากได้แล้วก็เลยหลงไปซื้อเขาเลยลืมกับูุยยาตีฟันที่จะซื้ออันนี้เคยไหมแบบเนี้ยอะหลงไปก่อนแล้เลยอยาก น, นะอยากแล้วก็ลืมตัวไปด้วยนะนี่คือเพราะเราหลงนะหลงอะไรจะเรียกว่าหลงตอนมันสัมผัสนะผัดตากกระทบกัน ตาเห็นรู้หูได้ยินเสียงอนี่ยกายสัมผัสสิ่งต่างๆโดยใจคิดนึกเนี่ยเราหลงตอนที่มันสัมผัสกันเมื่อหลงตอนมันสัมผัสมันก็เลยเกิดปรุงแต่งต่อเป็นอยากเป็นไม่อยากพอใจไม่พอใจหรือว่าสุขทุกข์ขึ้นมาเราก็เลยปรุงแต่งต่อเกิดเป็นสังพานต่างๆเยอ้ๆมากมายนะ เกิดเป็นความทุกใจเกิดเป็นความสุขใจอะไปก็แล้วแต่เนี่ยพอกลงแต่การมีสติคือเราไม่ห้ามความหลงแต่เราฝึกให้รู้ทันเวลาจิตมันหลงมันจะหลงอะไรก็แล้วแต่แค่รู้นะแค่รู้ว่ามันหลงแบบไหนหลอย่างไรลองดูมัาเฉยๆคีวิคีบอยของการปฏิบัติจริงๆคือรู้เฉยๆ ไม่ต้องไปทําอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ิเฉยะมันไม่ต้องไปห้ามมันนะไม่ต้องบีบผมมันไม่ต้องไปทำอะไรมันแค่รู้ิเฉยะหน้าที่เราแค่รู้ว่ามีคคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้นะิเฉยๆ่วมั้หน้าที่เราก็คือรู้สึกตัวไปด้วยนะรู้สึกตัวว่าตอนนี้กําลังทําอะไรรู้สึกว่าตอนนี้ยจิตใจมันรู้สึกอย่างไรนะแต่รู้แบบเป็นผู้ดูมันะต้องฝึกสติ ฝึกสติไปเว่ยๆ่งจิตมันไม่ค่อยไหลไปที่อื่นหรือว่ามันกระทบแล้วมันไม่กระเทือนมันจะเรียกว่ามีสมาธิของมันเองสมาธิไม่ใช่ว่าสงบแบบไม่คิดสมาธิไม่ใช่ว่าสงบแบบไม่สนใจสิ่งอื่นแต่สมาธิจริงๆคือมันรู้แต่ไม่ไหลหรือว่ารู้แล้วมันไม่กระเทือนนรู้เฉยเฉยมันกระทบแล้วมันไม่เป็นอะไรนะ คีอมีสมาธินะยิ่งถ้าเราดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าอารมณ์อะไรก็ตามนะเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ตัดตรงนั้นนะไม่ว่าอารมณ์พอใจไม่พอใจโกรธหรือว่าอยากได้เกิด ข, ขึ้นมาแล้วก็ตนะัดตรงนั้นเกิด ข, ขึ้นมาแล้วก็ตนะัดตรงนั้นเห็นอะไรจะได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกขนะ์ที่จริงเข้ามาเป็นทุกข์นะ ทุกคือตั้งอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะมันเป็นทุกนะอ่ามันทุกมันก็เลยต้องสลายต้องเปลี่ยนไปนะมันก็เลยไม่เที่ยง ม, มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เราเห็นนะมันเกิดก็องดับเกิดดับเปลี่ยนไปเรื่อยนะบังคับก็ไม่ได้นะนะเราเห็นแบบนี้เรียกว่ามีปัญญานะมีปัญญาคือการเข้าใจ เรื่องกายเรื่องใจเรี่ว่าก็รู้ในกองสังขารเนี่ยชื่อว่ามีปัญญาอันนี้แหละมาว่าชีวิตจิตใจที่ดีคือจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญานะไม่ต้องพูดเรื่องศีลนะถ้ามีนะมัถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาศีลมันมีแน่นอนนะก่อนที่จะทําชั่วก่อนที่จะพูดชั่วพูดผิดเนี่ยมันเกิดจากความคิด เกิดจากการขาดปติสนธินะนะสิ่งมันมีแน่นอนจากฆ่านี่ต้องพูดถึงยิ่งมีแต่สระนะสระอะไรนะอไรนคนคิดว่าสระสิ่นของคือจ่าฆ่าเพราะนั้นสลนะสลแค่เ ป, เ ป, เปนะลือกเปลือกนะสระจริงๆคือสระความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตกของเราเนี่ยนะนะสระความเห็นแก่ตัวออกไปได้เนะคนเห็นแก่ตัวอะไรเพราะเราเห็นผิดเราก็เลยเห็นแก่ตัว เห็นว่ามีตัวมีตนนะเราหวังว่าอยากให้กายนี้ของเราสุขหวังให้กายนี้ใจนี้ของเราสุขเพราะวันนีงเขียนว่าเป็นตัวนะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวของเราแต่ถ้ามีสติปัญญาจริงมันไม่มีตัวนะมันมีแต่ร่างกายกับจิตใจแต่ไม่มีเรานะนั้นมันก็ทำอะไรก็สดาะนะไม่ได้หวังอะไร มีแต่ถ้าจะวางก็วางให้คืนก็มีความสุขนะวางให้เขาพ้นจากความทุกข์นะหรือภาวนาไปก็เพื่อนะวางให้มันเข้าใจความดีนั่นแหละแต่ไม่ใช่วางแบบเออไม่ทําเหตุนนะ <c oughs> เราหวังเลยเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราแต่เราก็รู้ว่าเราต้องทําเหตุนัน่นแหละนะฝึกสติฝุดสมาธิเพื่อเกิดปัญญาทั้งนี้แหละนะเราจะได้มีชีวิตนะที่ดีเนาะชีวิตที่ดี คือใจที่พร้อมนะใจที่เข้าใจความจริงแล้วก็พร้อมในวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปะมันะมจะมองไปเรื่องธรรมชาตินะเราเกิดมานะเราตายไปมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตนะิคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันะมันก็มองเป็นเรื่องธรรมดานะเห็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรืนะ่อยๆนี่แหะ เราก็ต้องเตรียมพร้อมตรงนี้เนาะก็ให้พวกเรานะทุกคนทุกท่านแล้วนะก็ได้พยายางเตรียมพร้อมตรงนีนะ้ให้เป็นสเิเยนะไว้ต่ัๆนะมีชีวิตอยู่อย่างดีแล้วก็มีชีวิตการตายที่ดีเนาะนะต้องฝากไว้นะ